วันนี้เป็นวันที่26กุมภาพันพธ์พทศักราช2558พระวัดเราทั้งหมดมี32รูปนะวันนี้นะแล้วก็มือเช้าตั้งแต่ออกจากห้องมาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7เกือบ8โมงชนีดำสมชายของพวกเราเนี่ยร้องตลอดเลย พวกเราเดาดูสิว่ามันจะร้อนหรือมันจะหนาวหรือฝนจะตกวะแต่หลวงพ่อเดานี่มันจะวกอากาศคงจะอุ่นขึ้นมั้งฮะสมชายคงจะเตือนเอออากาศคงอุ่นขึ้นแล้วครับพวกท่านทั้งหลายเตรียมเก็บผ้าห่มได้แล้วคงจะว่ายอย่างนั้นมั้งแต่ให้คอ ย, คอยดูนะ <c oughs> แต่มันร้องยาวแล้วเกินวันนี้นะ แล้วก็ในช่วงนี้ที่หลวงพ่อได้ฟังข่าวจัดทาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องมาสูว่วัดวาศาสนามาสู่วัดของหลวงพ่อไม่รู้ว่าเรื่องอะไรตัวมิอะไรหลวงพ่อได้ยินแล้วหลวงพ่อก็ถึงหลวงพ่อจะอยู่ในป่าหลงพงภัยแต่หลวงพ่อก็คิด ถึงส่วนรวมประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกันนะนรัทถายาโยมลูกหลานหลวงพ่อเองไม่เคยลดละสร้างอาคารเรียนสร้างโรงเรียนให้กับเด็กเล็กเด็กใหญ่ตลอดรึ่งโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ที่พักคนเยี่ยมไข้ที่จอดรถโรงพยาบาลสาธารณะประโยชน์ ทั้งวัดก็ไม่ได้ลดละวัดไหนที่ขาดเหลือขาดตกพวกเราที่จะพอเจือจานได้เราก็ได้ช่วยให้การสนับสนุนท้งวัดวาศาสนาด้วยทั้งพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อความผาสุก ข, ของประเทศชาติเพราะนั้นหลวงพ่อมาได้ยินในยุคนี้ก็มีหลายๆเรื่อง ที่หลวงพ่อจดจดมาเนี่ยมีทั้งขอสอชอปอปอชอสอปอชอกอปอปอชอสหลวงพ่อแล้วจะแถมเข้าไปอีกว่าตอ ต, อ, ตออีกให้ครบถีมเหมือนนั่นเถอมีมากเหลือเกินแต่ถึงยังไงก็ เพื่อปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเดี๋ยวในท่านประยศท่านเป็นหัวหน้าใหญ่แต่หลวงพ่อก็ถ้าจะว่าไปก็เป็นน้องของหลวงพ่อนะทำไมจึงน้องกพเกิดที่หลังฮะเพราะท่านอายุจะหกสิบปีนี้หลวงพ่อเจ็ดสิแล้วจะเข้าเจ็ดสิบเอดแล้วทั้งวิจิโนหรือท่านบวรศักดิ์ ทีนั่นและทีร่างกฎหมายหลวงพ่อกับเป็นคงจะเป็นน้องๆหลวงพ่อเหมือนกันนะเพราะเคยได้พบได้เจอกันอยู่ในช่วงหนึ่งนะเพราะนั้นในช่วงนี้รู้สึกว่าบ้านเมืองของพวกเราก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นมารุมมาตุ่มกันแต่หลวงพ่ออยากจะเตือนย้ำเกี่ยวกับทุกท่านที่ ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองอยากจะให้หยึดยึดหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ท่านก็ได้ประกาศพะศาสนาขึ้นมาก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนแต่ตอนนี้พอหลายคนขึ้นมาต่างคนก็ต่างแสดงความคิดเห็น เพราะไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธทเจ้าเป็นผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบก็มีเป็นผู้ละเอียดก็มีเป็นผู้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วก็มีถ้าผู้ได้สําเร็จมรรคผลก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วผู้มุ่งมั่นในอัตในธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่ผู้สแสวงทางโลกเนี่ยมันมีปัญหาทีนี้ื่ทนนี้พระพุทธทเจ้าก็ ไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อต้องการอยู่ด้วยคนกันหลายๆคนก็ต้องมีกฎกติกาฮะกฎกฎกติกาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงถือวันเดือนสามเพนนี่แหละพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสักย์วัดป่าเวลุวันในวันเดือนสามเพนนี่อีกไม่กี่วันนะคณศจารย์ญาติโยมลูกหลานวันนี้ก็ ขึ้นเก้าค่ำแล้อีกสักหกวันก็เป็นวันมาฆบูชาเนพะราะนั้นวันมาฆบูชาของพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่วัดป่าเวลวุวันในบ่ายวันนั้นวันเดือนสามเพนพระพุทธองค์ไม่ได้นัดแนะพระสงฆ์แต่มาด้วยญาณทัศนะ์ยาณวิถีของแต่ละองค์เพราะว่าพระที่มาร่วมไปชมในบ่ายวันนั้น เป็นพระที่เป็นพระอระหันต์แตกฉานในปฏิสัมพิทายานทั้งนั้นที่มาร่วมกันวันเดือนสามเพนตอนบ่ายพัน0อรูปพระพันพระสงฆ์ทั้งหมดพันสอรูปย้พรวนแล้วจะเป็นเอหิปิคุปคือบวชพระพุทธเจ้าเป็นองค์บวชให้ท่านก็มาพร้อมกัน แต่ทุกทา่าทุกวันเนี้ก็คงจะไม่แปลกนะเพราะเหตุไรพราะเราโทรศัพท์หากันได้เออทอสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์เอท่านโทรได้จิตนะใช้ญาในลักนะคือโทรได้จิตหากันเออพระพุทธเจ้าจะได้อตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาในท่ามกลางสงนะนะเน้อพระสงฆ์มีรายชื่อต่างต่อไปนี้ขอได้มนคงจะโทรจิตอย่างนั้นกำลังนะ เราก็สุดวิสัยที่จะเดาในจุดนั้นอีกเหมือนกันแต่ในพระสงฆ์มาพร้อมกันพันสองร้ห้าสิบูปทวัดป่าเวลวุวันในวันนั้นจากนั้นเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตั้งก ฎ, กฎกติกาคือวินัยปกครองสงฆ์ท่านให้โอวาทปฏิโมก ในถามกลางสวงว่าสัปปปาปัสะอะคระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปัสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งเอตังพุทธานสาสนังอันนี้คือทมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้ากับกุสันโธโกนคมโน จนถึงพระพุทธเจ้าโคตมะอันนี้คือเป็นธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตั้งแต่ดึกดําบรรมาก่อนพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆท่านวะสัปปะ ป, ปัสสะการะนังกุสรัตู้ปะซัมปดาสัจจิตะปริโยร์ปานังเอตังพุทธานาสาสนังอันนี้คือธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระพองค์ให้โอวาท เมื่อพระองค์ได้ให้โอวาทเสร็จแล้วเราก็ตั้งกฎกติกาปกครองสงฆ์คือวินัยสวดพระปฏิโมกเริ่มตั้งแต่ครั้งนั้นคราวนั้นนี่เราพระองค์บัญญัติวินัยบัญญัติศีลบัญญัติกฎกติกาคือพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นผู้เป็นพระอราหันต์ทั้งหมดหมดจดจากกิเลสที่เป็นผู้เป็นผู้ตั้งกฎกติกาขึ้นในในสงฆ์ ในครั้งพระพุทธเจ้าเป็นประธานในครั้งนั้นในเมื่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ตั้งกฎกฎติกาแสปปปาปั ส, ปปปะสะอาอัครณนังการไม่คิดทําบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปสัมปดาการยังกุศลจิตให้ใจบริสุทธิ์คิดในทางกุศลเท่านั้นกุสลสูปสัมปดา สจัจจตะประโยชนปาหนังก่อนที่จะทำอะไรทำจิตให้ผ่องใสผ่องแผ้วอย่าให้มีอคติให้เป็นธรรมสกอดจึงบัญญัติสิทธิวินัยนะี่ะเมื่อท่านบัญญัติวินัยขึ้นมาแล้วตั้งแต่2558ปีปีนี้นะทำคำสอนของพระพุทธเจา้าไวยังงคงเส้นคงวายังเป็นหลักธรรมวินัยอยู่ตลอดเพราะเหตุหลายเพราะ ท่านเป็นธรรมท่านเป็นธรรมท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านตั้งกฎกติกาขึ้นมาเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองอยากจะย้ำเหมือนกันนะทั้งท่า น, านวิจนุเครืองามด้วยทั้งท่านบวรศักดิ์อุวันโนด้วยท่านดูแลเรื่องกฎกหมายบ้านเมืองเอมื่อจะตั้งกฎกติกาอะไรขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อว่าน ให้เป็นธรรมถ้าหากว่าไม่เป็นธรรมแล้วนะ่ะอีกไม่นานล้วก็คงจะฉีกกฎหมายทิ้งอีกเพราะหะไหรเพราะไม่เป็นธรรมแต่ถ้าหากว่าเป็นธรรมแล้วหลวงพ่อว่าจะอยู่นานเท่านานแกท้งนี้ทางนั้นการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าว่าตั้งขึ้นมาแล้วเป็นธรรมจะอยู่ได้นานอย่างทาคำสอนของพระพุทธเจ้า 2558้25ปีให้หลังไปแล้วนะก็ยังจะใช้ได้อีกอยู่มีแต่พระสงฆ์บางกลุ่มที่พูดว่าอันนี้ไม่ใช่วุฒิวัจนะอันนี้ใช่วัดพุทธวัจนะแต่เหมือนกับตัวเองเกิดมาในครั้งในครั้งบอพุทธยาวแต่เกิดมาเจตขนาดหลวงพ่อเนี่ยนะไปอยู่กับหลวงตามหาบัวแล้วก็หลวงตามหาบัวมาวัดหลวงพ่อท่านเทศนาว่าการ ให้ฟังหลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ว่าจะจํำทำคําสอนองหลวงตาได้ทุกคําพูดบางครั้งก็ต้องได้สายวิดีโอหรือว่าทบทวนหยดน้ําบนใบบัวประวัติของท่านหรือประวัติของหลวงปู่มัน่นที่ทํามารดกขององค์หลวงตาแต่ขนาดนั้นก็ยังหลงหลงลืมลืมฮะแต่พวกเราที่อยู่ภายหลังเนี่ยอันนี้พุทธวจนะอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะ หลวงพ่อว่าพูดได้ยังไงคิดได้ยังไงอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นวินัยก็คงไว้ตามนั้นจะไม่ดีกว่าหรือหรออือว่าตัดทอนจะดีกว่า อ, อ, อันนี้มันหน้าคิดเหมือนกันะฉะนั้นขอฝากไว้กับชุมชนสังคมเหมือนกันเพราะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเน่พระพุทธองค์บัญญัติไว้สอง8้าห้าสิบแดปี ยังนำมาใช้เกิดประโยชน์ปกครองสงกระทั่งทุกวันนี้ เ, เมื่อเราพิจารณาศึกขาบทวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับกันเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราคนในชาติชาติไทยของเรานี่แหละ อ, อ, อยากจะให้ใช้กฎทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ใจเป็นกลาง สัปปาปัตสากรหนังซะก่อนนะกุศรัดสู้ประซัมประดาสะจิตตะปริยโยดาปานังซะก่อนนะงค่อยตั้งคิดกฎหมายขึ้นมาปกครองประเทศชาตินะถ้าว่าพวกเราทำได้อย่างนี้ผงหลวงพ่อว่ากฎหมายรัฐกฎรัฐธรรมนูญของประเทศชาติถึงจะไม่ถูกใจของชุชมชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ถึงยังไงคน คนส่วนมากก็จะยอมรับในกฎกติกานั้นๆกฎหมายบ้านเมืองก็จะได้ปกครองโดยธรรมให้กับทุกหมู่ทุกเหล่า เ, เพราะนั้นหลวงพ่ออยากจะฝากไว้กับชุมชนสังคมสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าเนี่ย กฎกติกาใดก็ตามที่ตั้งขึ้นมาแล้วนะการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หนทางพิสูจน์ม้า ก, การเวลาพิสูจน์คนพิสูจน์คนค่อยๆว่าไม่ไม่ว่าท่านไม่ว่าเราไม่ว่าหลวงพ่ออินนีต้องอยู่ด้วยกันนานซะก่อนจึงจะรู้ว่าเป็นผู้มีสินหรือหรือไม่มีสิ น, นถ้าไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาเห็นการวเออพูดดีแล้วก็ยกย่องขึ้นมา แต่ที่ไหนได้พออีกไปสักหน่อยเท่านั้นน่ะความชั่วซาเสียหายหนาลกจกเปดโผล่ขึ้นมาเป็นกระบงกระตาตะ ก, ก้าไปหมดน่ะอันนั้นก็คือคล้ายๆคบว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยจะรู้ได้ผู้มีสินหรือไม่มีสินต้องอยู่ด้วยกันนานเข้าทํานองที่ว่า ขนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะัทธาญาจมลูกหลานทุกๆคนนะแต่เมื่อคราวครั้งหนึ่งนะท่านวิษนุเครืองามได้มาเยี่ยมวัดของหลวงพ่อพร้อมกับท่านบอวรศักดิ์อุวันโนและก็ท่านชัยยศ เฮมารัชตระ เ, เมื่อวันที่25ตุลาคม53นะหลวงพ่ออยากจะให้ท่านกูบามาอ่านให้พวกเราได้ฟังใช่ว่าท่านมาเยี่ยมข่าวนั้นน่ะท่านมาเยี่ยมแล้วก็ท่านไปลงหนังสือเดลินียอีกนะแต่หลวงพ่อคิดว่าคงจะไม่ผิดกระมังเพราะว่าท่านได้ลงหนังสือเดลินิยนั่นน่ะก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเสียหายนะ ให้พวกเราฟังๆเลยเอะนะคณะถาจ า, ายญาติโยมลูกหลานนะอลอ ง, งฟังดูท่านหลวงพ่อเ อ, เอาเรื่องอที่ท่านได้มาเยี่ยมกรรมาฐานทางอีสานเหนือหลายๆวัดให้พวกเราได้ฟังนะท่านวิทยุท่านท่านมีความเห็นว่าอย่างไงนะครับผมกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับผม อ่านบทความในหัวเรื่องป่าสงบจิตสะอาดธรรมะก็สว่างจากหนังสือพิมพ์เดลินิววันจันทร์ที่25้าตุลาคม2553เมื่อต้นเดือนตุลาคมผมมีเหตุต้องขึ้นไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุดรธานีพอดีกับที่ศาสตราจารย์ชัยยศเหมรัชตะและศาสตราจารย์ดรบอลศักดิ์อุวันโน สองราชบัณฑิตจะต้องขึ้นไปสอนด้วยจึงได้นัดกันว่าน่าจะปรีกวิเวกหาเวลาสักสองสามวันสัญจรไปไหว้พระที่เขาว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้เป็นมงคลแก่ตัวบ้างอิสานเป็นดินแด น, นธรรมะโดยแท้เป็นสัปพะยะของพระป่าพระธดงพระกรรมฐานบรุรพาจารย์ของพระสายนี้คือพระอาจารย์มั่นโพริทัตโต และได้อาศัยการเกื้อกูลส่งเสริมจากพระมหาเถระฝ่ายธรรมยุทธ์หลายรูปคณะธรรมยุทธ์ฝ่ายวิปัสนาธุระจึงลงหลักปักฐานในอีสานอย่างมั่นคงคุณสมบัติของพัดป่าเหล่านี้คือถ้าอยู่ในวัดก็ทำป่าเป็นวัดหรือทำวัดเป็นป่าช่วยรักษาต้นหมากรากไม้ให้อุดมสมบูรณ์ร่มรื่นในวัดมักมีพระอยู่น้อยรูปแยกกันอยู่แยกกันภาวนา นานๆจึงจะมาพบปะมีธรรมะสากชากันตามกุติจะไม่มีไฟฟ้าไม่นิยมสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โตพูดน้อยแต่พูดคมพูดเป็นธรรมะขณะไปถึงสนามบินอุดรพระอาจารย์ทวีมหาวีโรวัดพระาธาตุพังพวนจังหวัดน้อง k h a i กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ก็เมตตาอยู่รอให้คณะเราไปพบพบกันแค่สิบนาที ท่านก็ยังสอนตามสไตล์ของท่านคือองมยิ้มเสียงราบเรียบว่าคนเราต้องรู้จักการให้อภัยการอโหสิการไม่อาฆาตพยาบาทบ่อยครั้งที่คนเรากดกันเกลียดกันเพราะความเข้าใจผิดหรือมีการยุแย่การอาหังการมหังการเสียได้มีเมตตาต่อกันเสียได้โลกนี้ก็จะเป็นสุข รุ่งขึ้นไปกราบพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมณวัดป่าน้องไผ่สกลนครเป็นแห่งแรกวัดอยู่กลางป่าสงบสงัดขณะไปถึงท่านยังกวาดลานวัดอยู่ได้ความว่าอาจารย์คุณลันจวนอินทะคำแหงเมื่อลาออกจากราชการไม่ติดข้องในตราจุลจอมเกล้าชั้นผู้หญิงก็ได้มาบำเพ็ญภาวนาอยู่ณที่แห่งนี้ พระอาจารย์สุธรรมอายุหกสิบเศษพูดเสียงดังฟังชัดแต่ทุกคำเป็นธรรมะท่านสอนว่าร่างกายคนเรานั้นยิ่งทำให้กระฉับกระเฉงเคลื่อนไหวว่องไวยิ่งมีพลังแต่จิตกลับตรงกันข้ามยิ่งสงบนิ่งยิ่งเยือกเย็นไม่กระเพื่อมยิ่งมีพลังท่านยังชวนว่าคลาวน้าใหมานอนในวัดสะอาดสว่างสงบกว่าโรงแรมห้าดาวเสอีก ออกจากวัดนี้ตลอนตลอนไปกล่าพระอาจารย์ว่านเขมโกวัดป่านาคนิมิตอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกนครท่านเป็นพระวัย75ปีร่างเล็กผอมเกร็งแต่ใบหน้าอิ่มเอิบแจ่มใสขนาดกาลังจะลงสวดปฏิโมกท่านก็ยังสละเวลาสนทนาธรรมด้วยความเป็นกันเองอธิบายเรื่องการกําเนิดของคณะพระธรรมยุทธ ประวัติพระอาจารย์มั่นแนวทางพระป่าและการทํากรรมฐานอย่างง่ายๆวัดนี้สําคัญมีกุฏิพระอาจารย์มั่นซึ่งทางวัดดูแลจนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พระอาจารย์มั่นเคยให้เคยใช้แสดงธรรมอยู่เรื่องมุตโตไทยหรือธรรมะว่าด้วยความหลุดพ้นและพระอาจารย์วิระยังได้จดบันทึกไว้บ่ายโวกกลับไปหาพระอาจารย์อ้อมสุขากาโม วัดป่าของท่านอยู่ไกลไปในเขตจังหวัดมุกดาหารเนื้อที่เป็นป่ากว้างใหญ่หลายร้อยไร่พระอาจารย์พูดน้อยเสียงเบาแต่ก็เมตตาสอนว่าถ้าอยู่กับป่าสงบจิตจะสะอาดไม่ช้าธรรมะก็จะสว่างท่านอย่างป่ารบฝากว่าคนจบวดนานๆควรให้นุ่งขาวทดลองข้อวัดปฏิบัติพักหนึ่งเสียก่อนศา ส, สนาของเราบวชง่ายบวชง่ายสืกง่าย จึงรักษาผ้าดีไว้ยากแต่ถ้าคิดอยากจะบวชไม่กี่วันแต่ถ้าคิดจะบวชไม่กี่วันก็แล้วไปตกเย็นก่อนกลับที่พักได้แวะไปกราบอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์หลุยที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครพระอาจารย์มั่นนั้นมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ห้าหรือถึงรัชกาลที่9เป็นพระป่าถือธูดงขวัตแต่ก็ไม่ทิ้งหลักปริยัต เจ้า<ง>คุณอุบาลีหรือจันวัดบรมนิวาสสนับสนุนให้เป็นพระอุปชาตั้งให้เป็นพระครูวินัยพรและส่งไปเป็นเ<ป>นจ้าวาดวัดเจดีหลวงจังหวัดเชีย<จ>งใหม่เพื<ห>่อจะได้อยู่สอนชาวบ้านแต่ก็ไม่ถูกอัธยาศัยอยู่ได้เพียงปีเดียวท่านกลาออกไปอยู่ป่าหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงตาหมหาบัวหลวงปู่วิริยง และพระป่าอีกหลายสิบรูปสิทธิ์ท่านทั้งนั้นเมื่ออ า, าพาธหนักจวนจมรพจวนจมรณาาพก็ได้ขอให้พระเนเนนำท่านไปวัดป่าสุทธาวาสในเมืองสกลนครท่านป่ารพว่าท่านมีลูกศิษย์อยู่มากมายท่าจะละสังขารกลางป่าคนจะมาร่วมงานศพเป็นจำนวนมากวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่คงถูกฆ่าล้มตายกันเป็นระบือ เพราะต้องนํามาปรุงเป็นอาหารถ้าไปละสังขารเสียในเมืองใหญ่ผักหญ้าป่าปูและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอาหารหาได้สมบูรณ์ดีเพราะเป็นอาชีพเขาอยู่แล้วท่านจึงเข้าไปละสังขารที่วัดป่าสุทธาวาสฟังเรื่องนี้แล้วนึกนึกถึงว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรินิพานกลางดงกลางป่าแต่เสด็จไปยังเมืองกุศินาราแขวนมันละ เรื่องของพระอาจารย์มั่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทยควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนได้รู้จักเสียตั้งแต่วันนี้ถ้ารอช้าอีกหน่อยเราต้องไปแปลจากภาษาอังกฤษกันกลับมารุ่งขึ้นผมได้ไปกาบพระอาจารย์ชาลีวัดป่าภูก้ออำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีบริเวณเป็นป่าคลึ้มด้วยต้นไม้สูงใหญ่หลายพันไร่คุมภูทั้งลูก บนเขากำลังสร้างวิหารครอบคลุมพระพุท ธ, ธาสยายญาติเนื้อหินอ่อนจากอิตาลียาวประมาณ20เมตรพระอาจารย์เล่า ว, ว่าป่าแถบนี้เคยถูกผอกอยึดครองจึงสมบูรณ์อยู่ได้แรกแรกเมื่อพระมาอยู่ป่าชาวบ้านก็ยังไม่เลื่อมใสจนผอกอข้าพระไปรูปสองรูปชาวบ้านจึงหันมาเป็นกำลังช่วยพระดูแลวัดถ้าไม่มีพระ ไม่มีวัดป่าป่าพวกนี้คงจะหมดไปเสียแล้วอีกวัดใกล้คือวัดป่านาคำน้อยได้ไปกราบพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกอายุหกสิบปีเศษท่านพูดจาเป็นธรรมะฟังแล้วเกิดปีติท่านสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรควรทำก่อนตอนท้ายสอนเรื่องต่อต่ อ, ต อ, ตอปแปลว่า เตรียมตัวตายสอนว่าเวลามีอำนาจควรรีบคิดหาทางลงจากอำนาจเวลาร่างกายแข็งแรงควรรีบคิดหาทางตายถ้าไปรอจนใกล้เวลาจะไม่ทันการนโยมฟังแล้วอยากให้นักการเมืองอยู่ฟังด้วยจริงๆวัดป่านาคำน้อยกว้างใหญ่หลายพันไร่เก้งหมูป่าก็ยังพอเห็นอยู่หลวงตาพระมหาบัวให้ทุนมาสร้างกำแพงรอบป่ากว่า20กว่าล้าน จึงได้คติว่าป่านั้นถ้าไม่ล้อมไว้คนจะบุกรุกไฟป่าจะลุกลามเข้ามาป่าตรงไหนที่มีไฟเผาก็จะเป็นป่าที่โซมพระอาจารย์อินทวายให้ปลูกต้นสักเพิ่มผมนั่งรถวนรอบวัดเห็นป่าแล้วบอกว่าสมบูรณ์กว่าที่เขาใหญ่หรือภูกระดึงเสียอีกต้นเฟิ่อกาฝากงามนักต้นสักต้นยางนับร้อยต้นใหญ่ขนาดสองสามคนโอก สูงประมาณสามสิบเมตรเป็นพยานว่าเราฝากป่าไว้กลับพระจริงๆบายแวะไปไหว้พระราชสิทธาาจารย์หรือพระอาจารย์ทองใบอายุเจ็ดสิบปีเศษวัดนาหลวงอำเภอบ้านผือท่านบวชจากท่านพุทธธาตุแล้วมาเป็นสิทธิ์หลวงปู่ฟันวัดนี้เป็นพระมหานิกายอยู่บนเขาเนื้อที่นับหมื่นไร่จนมองจากยอดเขา เห็นข้ามไปอีกจังหวัดศรัทธายาดโยมไปฟังธรรมะทุกวันยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งสองเดือนยิ่งจะมีคนขับขัง่งวัดนี้มีพระอยู่กว่าร้อยรูปผมถามท่านเรื่องวิธีปกครองพระเป็นร้อยรอยรูปท่านบอกว่าปกครองพระชาวบ้านไม่ยากหรอกโยมแต่ปกครองพวกด็อกเตอร์มาบวชนิสิยากท่านแนะวิธีการปกครองคนเป็นฉาก จัดเป็นตำราคู่มือผู้นำได้ทีเดียวใครว่าพระป่าพระบ้านนอกคล่ำคือต้องคิดียใหม่แล้วตกข้ามโชคดีได้ไปกราบท่านเจ้าคุณใหญ่พระอุดมยานโมรีหรือหลวงปู่จันรศีวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีวัดนี้วันนี้ฉลองชา ต, ติการครบ99ปีทางวัดทมบุญสดมนเย็นผมได้รับเมตตาให้ประเคนของถวายพระที่มาเจริญพระพุทธมนต แถมหลวงปู่ใหญ่ยังให้พรและฌานหมาผมมาด้วยก่อนกลับได้แวะไปกราบพระอาจารย์เจริญหรือพระครูพิพัฒน์ิทยาคมอายุราวห้าสิบปีที่วัดนนท์สว่างอำเภอหนองวซัซอเป็นวันสุดท้ายพระอาจารย์องค์นี้ไม่ธรรมดาเสียงดังสอนธรรมะแบบชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจไม่ต้องแปลแต่บารมีสูงถ้าท่านไม่แน่จริงคงสร้างโบสถ์มโหลานกลางป่าไม่ได้ นี่ก็กําลังทำวิหารหลังใหญ่อยู่อีกหลังหนึ่งปีกวิเวกหลายวันหุนนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะได้ใกล้ป่าใกล้ธรรมชาติใกล้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใกล้ธรรมะแต่ตอนนั่งเครื่องบินกลับเปิดหนังสือพิมพ์อ่านข่าวฟิล์มกับน้องแอนนี่ข่าวระเบิดคอนโดข่าวยุบ พ, พักมาเหนื่อยเอาตอนนี้แหละครับพี่น้องเขียนจากคุณวิศณุเครืองาม อืมอันนี้คือเมื่อเขาลงข่าวตะข่าวนั้นพกกรุงเทพก็เลยเอาหนังสือพิมพ์มาให้หลวงพ่อส่งมาให้นะหลวงพ่อก็เลยเก็บเก็บทิ้งทิ้ ง, งไว้พอมาเปิดวันวานมันก่อนมาเห็นเอะมันเกี่ยวกับท่านวิศนุท่านบวรศนะักดิ์เนี่ยกาลังท่านกำลังดูตรวจ กฎหมายบ้านเมืองกฎหมายประเทศชาติหลวงพอ่อน่าจะเอามาอ่านอ่านให้พวกเราได้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดฟังฟังนึกดูแล้วก็มาเห็นเสียหายที่ตรงไหนจะเป็นแนวความคิดของพวกเราใช่มากกว่านะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อยังได้ให้พระท่านอ่านให้พวกเราศรัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร